พอยุฝนเมื่อคืนต้นไม้โค่นล้มนี่มีเป็นจำนวนมากนะส่วนใหญ่ก็เป็นต้นไม้สูงๆต้นสูงๆแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะรากของต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่บางทีพื้นดินหรือแผ่นดินที่ ต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยยึดเอาไว้มันก็ไม่ค่อยมั่นคงอย่างดินที่อยู่ริมสะริมบึงนี่ก็พอโดนลมพายุพัดแรงๆก็โค่นจะ แ, แปลกนะตรงสะพานที่ไปสาราน้ำเนี่ยเมือม่อวานตมาก็จุดทูบเอาไว้มันก็มีทูบอยู่สองดอกที่มันไม่ไหมแล้วก็ค้างอยู่ตรงนั้นแหละ เสียไว้ตรงช่องตรงรูตะปูพอมาวันนี้มันก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนกับว่าไม่มีลมมาพัดให้มันกระเจิงไปเลยทั้งๆทีท่บริเวณนั้นนีงก็มีลมต้นไม้สูงใหญ่แต่ว่าโค่นลม้มแต่ว่ากา้านทูบเล็กๆบางๆ มันก็กลับปักอยู่วันที่เดิมได้อันนี้ก็แปลกทั้งที่เมื่อคืนนี้ลมก็แรงมากถ้าต้นไม้เนี่ยมันไม่สูงนะมันก็คงจะไม่ค้นลมหรือสูงแต่ว่ามีรากที่มันโคงเข้มแข็งนะก็คงจะทานลมพายุมรสุมได้นะตลอดทั้งคืนแต่ที่พังคืนก็เพราะว่า สูงด้วยแล้วก็รากนะไม่แข็งแรงส่วนทูบ ก, การบางๆเนี่ยนะเนื่องจากมันมอยู่ที่ต่ำนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรยึดมันเลยแต่ว่าพออยู่ที่ต่ำแล้วนี่ลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็แถมยังมีพวกต้นไม้ต่างๆคอยกันลมมาไว้ มันคงจะโอนเอ็นไปมาแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับหลุดลอยไปจากะสะพานนะนี่ก็เปลี่ยนได้เหมือนกับคนเหมือนกันนะคนเราเนี่ยคนที่มีฐานะที่สูงหรือว่าอยู่ในจุดที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเพราะร่ำรวยหรือว่ามีฐานะตำแหน่งสู ง, สง ก็คงไม่ตจากต้นไม้นะที่สูงต้นไม้สูงเนี่ยก็ต้องเจอลมพัดกระหน่าเป็นครั้งคราวคนที่มีตําแหน่งสูงหรือคนที่เด่นดังเป็นที่รู้จักเนี่ยก็ต้องเจอกับลมเหมือนกันนะอาจจะเป็นลมปากของผู้คนบางทีลมปากนี่มันก็ อาจจะรุนแรงยิ่งกว่าลมพายุซะีกนะอาจจะลวมไปถึงการเจออุปสรรคต่างๆมากมายยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งเจออุปสรรคเจอปัญหาถากว่าจิตใจไม่เข้มแข็งหรือว่าด้านในนะไม่มั่นคงไม่มีจิตที่ยังลึกนะพอเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอคําวิพากวิจารนะก็ ล้มละเนระนาดได้เหมือนต้นไม้ผู้คนส่วนใหญ่นะก็อยากจะอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเด่นเพราะร่ำรวยเด่นเพราะฐานะหรือว่าเป็นเพราะชื่อเสียงแต่ไม่ค่อยได้นึกนะว่าไอ้อยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงจุดนั้นนี่มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าจะเจอพายุพัดตระ น, นำ่ำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ และเนื่องจากโดดเด่นนะมันก็ต้องเจอหนักกว่าไม่เหมือนกับคนที่อยู่ต่าเตี้ยเล็ดินนะก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อย่างการทูนั่นเนี่ยมันไม่ค่อยเจอลมเพราะมันอยู่เตี้ยนะอยู่แค่สะพานก็เลยรอดตัวไปอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการที่อยู่ในสถานะที่ ต่ำนะไม่สูงผู้คนที่อยากจะอยู่บนอยู่ในสถานะที่สูงเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เตรียมใจนะว่าเมืออ่อจะต้องเจอกับพายุเจอกับมรสุมหรือว่าเจอลมปากผู้คนซึ่งมันมีมากมายเนี่ยจะเตรียมใจรับมือกับมันอย่างไรวันก่อนก็ได้พูดไปนะว่าคนที่ร่ารวยเนี่ยก็จะมีคนอิจฉายเยอะ คนก็จะหาประโยชน์ในหลายรูปแบบเช่นมาประจบสอพอหรือไม่ก็มาฟ้องฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือไม่ฉชนั้นก็ต่อว่าด่าทอกนัน n e กกันแหน่เดีย๋ยวนี้มันมีช่องทางให้ทำอย่างนั้นได้เยอะแยะนะเพราะว่ามันมีโซเชียลมีเดียมีไลน์มีเฟซบุ๊กมีทวิตเตอร์นะ ใครไม่ชอบขี้หน้าคนนั้นคนนี้ก็สามารถจะเขียนข้อความไปด่าไปป่วนได้เดี๋ยวนี้คนแบบนี้ก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆดาราหลายคนเนี่ยนะหลายคนก็อยากเป็นดารานะหนุ่มสาวเนี่ยอยากเป็นดาราอยากเป็นคนเด่นคนดังแต่พอเป็นแล้วนี่ก็ถึงมารู้ว่าโอ้มันไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่า ถึงแม้จะเป็นคนถึงแม้จะมีคนรู้จักเยอะแต่ว่าคนที่เกลียดคนที่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ก็มากผ้กที่อยากเป็นดาราเนี่ยพอได้เป็นแล้วก็ไม่ได้มีความสุขนะเพราะว่ามันต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดนะก็คือลมปากของผู้คนข่าวลือคำนินทานินทาว่าท้องนินทาว่าไปเป็นชู้กับคนนั้นคนนี้ เรนี่มันก็เต็ไมไปหมดนะในโซเชียลมีเดียบางคนทนไม่ไหวนะอย่างดาราเกาหลีก็มีหลายคนที่ค่าตัวตายนะมีชื่อเสียงก็เยอะค่าตัวตายเป็นละลอกละลอกดาราญี่ปุ่นก็เหมือนกันดาราไทยก็ก็มีเหมือนกันนะหรือไม่ฉชนนั้นก็ประสาทเสียผวา อันนี้ก็เปรียกับต้นไม้นะตนไม้ที่สูงนะแต่ว่าล่างไม่ลึกนะเพราะไม่เข้าใจเรื่องโลกธรรมแปดไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก็หวังว่าจะจะได้รับแต่คำชื่นชมสารเสรินไม่ได้คิดว่าสารเสวนกับดินทามเป็นของคู่กันสมัยนี้ดังง่ายนะเพราะว่ามันมีพวกสื่อโซเชียลมีเดียปุกให้ดังได้ไง่าย แต่ขะนเดียวกันก็ก็ถูกด่าได้ง่ายเหมือนกันเพราะมันมีพวกป่วนเดี๋ยวนี้นี่เป็นปัญหามากนะในวงการโซเชียลมีเดียคือพวกป่วนเนี่ยหลายคนก็เลิกใช้ a ฟ e b o o k หลายคนก็เลิกเล่นทว i t เตอร์ไปเลยเพราะว่าเจอพวกป่วนทนี่ไปก่อกวนสารพัดนะไม่ใช่แค่ไปป่วนเพราะเห็นต่างทางการเมืองนะแต่ว่าป่วน มีเรื่องจะป่วนได้ทุกเรื่องนะคนอ้วนคนพร้อมคนหลอ่อนะก็เป็นที่อิจฉาของผู้คนเขาก็หาทางนะไปโจมตีใส่ร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นคนเด่นคนดังหรือว่าการที่มีสถานะสูงนะเป็นที่รู้จักหรือว่ามี บริษัทบริวารมากๆนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของดีมันต้องแลกมาด้วยความทุกข์แต่คนก็มองไม่เห็นนะเรื่องโลกธรรมนี่เมื่อวานนี้เนี่ยนะตอนที่พายุมาพัดกันหนํำเนี่ยหลายคนคงตื่นนะมันเป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้มาดูใจของเราก็ไม่รู้กี่คนนะ ที่จะมีสติกับมาดูใจของตัวตอนนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะมีความกลัวมีความวิตกมีความากังวลน้ำจะท่วมหรือเปล่าหรือว่าต้นไม้จะล้มทับไหมบางช่วงนี่กุฏิมันถูกขยว่วนสารานานี่ยยังมียังมียังมีลมเนี่พัดจนขย่วเลย ผู้คนส่วนใหญ่ก็มองไปที่ออกมองส่งจิตออกนอกนะแต่ถ้าเราเนี่ยหวนกลับมาดูใจของเรานี่ก็ถือว่าใช้ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์จากพายุหรือมรสุมเมื่อคืนมันเป็นการฝึกใจอย่างดีเลยนะว่าเรานีนะ่มีความกลัวมากน้อยแค่ไหนมีความวิตกกังวลหรือเปล่า หรือว่าเราปล่อยให้มันครอบงำใจโดยที่ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวแบบฝึกหัดแบบอย่างนี้มันนานๆจะมีทีนะสำหรับสุก โ, โตเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเราจะเจริญสติอยู่แต่ในศาลาหอไตาเดินจงกรมสร้างจังหวะอย่างเดียวนี่มันไม่พอมันต้องมีสติรู้ทันนะเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆ การฝึกสติเนี่ยหรือสติปฐานสีเนี่ยนะถ้าสรุปย่อยๆเนี่ยก็คือฝึกสติเมื่อเราทำสิ่งต่างๆไม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนนะล้างหน้าแปรงฟันเก็บที่นอนไม่ว่าทำอะไรเนี่ยก็ให้ใจรู้ว่าการบำทังสึกทำสิ่งนั้น มีความรู้สึกตัวในทุกอย่างในทุกเรืยอบทที่เร า, าเคลื่อนไหวหรือทําในบทกายานุ ป, ปัสสนาเนี่ยก็ก็มีส่วนหนึ่งนะที่พูดถึงเรื่องของการทำความรู้สึกตัวในเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเหยวซ้ายแลกวขาหมผ้าคูขาเหยียดขากินดื่มเคี้ยวลิ้มนะปัจจุบัปัสปสาวะ ทั้งมดนี้เรียกลมรวมว่านะให้มีความรู้ตัวเวลาเราทําอะไรก็ตามส่วนใหญ่เวลาเราทําเนี่ยเราทําด้วยกายนะไม่ว่าด้วยแขนด้วยขาหรือว่าด้วย อ, อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราก็ใหม้มีสติรู้นะเรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวอีกการนึ่งก็คือว่าให้มีสติเวลาเราเจออะไรก็ตาม เวทนานุปัสสนาหรือว่าจิตานุปัสสนาเนี่ยนะถ้าดูดีๆเนี่ยมันก็ก็คือการมีสติเวลาเราเจออะไรก็ตามที่เกิดกับกายและใจเช่นมีความปวดมีความรอ้อนมีความหนาวนะหรือว่ามีความโกรธมีความอยากได้ไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันคือปฏิกิริยาเมื่อเราเจอหรือเราเกิดผัสสะไม่ว่า จะเห็นรลปทางตาได้ยินเสียงทางหูหรือว่าสัมผัสด้วยกายอย่างเมื่อวานนี่เราก็เจอนะเจอเจอลมพายุเจออะไรต่ออะไรมากมายเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อใจของเราส่วนใหญ่ก็จะมีความวิตกกิดความกังวลเกิดความกลัวนั่นแหละคือแบบฝึกหัดให้เราได้มีสติมารู้นะ มารู้ใจนะมันมีอะไรก็ให้ยอมรับนะเริ่มต้นในการรู้ก่อนและเพียงแค่รู้นี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วนั้นถ้าพูดย่อยๆเนี่ยการเจริญสติเนี่ยนะมันก็มีอยู่สองส่วนหรือว่ามีสองโอกาสก็คือหึงเมื่อเราทําทําอะไรก็ตามก็ให้มีสติรู้นะเมื่อเราทําด้วยกายก็ให้ให้รู้ว่ากายทําอะไรนะอันนี้เลยย่อยรู้ กายเคลื่อนไหวนอกจากทําแล้วนะชีวิตเราต้องเจอเจอโน่นเจอนี่ก็คือเกิดผัสสะนั่นเองเจอนี่มันก็มีทั้งเจอของที่ชอบและของที่ไม่ชอบอ่ประสบกับสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักรวมทั้งพัดพลาดจากสิ่งที่รักอันนี้ก็เรียกรว ม, ร ว, มว่าเกิดมันมีมันเจอนะเจอบวกบ้างเจอลบบ้าง เมื่อเจอแล้วเป็นยังไงก็กลับมาดูใจนะอันนี้คือเห็นใจคิดนึกนะตลอดทั้งวันเนี่ยนะในยามตื่นเนี่ยมันมีแค่สองอย่างเท่านั้นแหละส่วนใหญ่ก็คือทํากับเจอเราทำโน่นทนํานี่แล้วเราก็เจอโน่นเจอนี่บางช่วงอาจจะไม่ไทําอะไรนั่งอยู่เฉยแต่ก็เจอี่าเช่นอาจจะได้ยินเสียงนกร้องอาจจะเจอทุกแก อาจจะเจอยุงกัดนะก็อย่ามัวแต่ไปสนใจแต่สิ่งที่มันปรากฏกับเราหรืออย่าไปสนใจแต่สิ่งที่เราเจอไอ้ที่สําคัญกว่านั้ น, นคือใจเนี่ยมันเป็นอย่างไรใจมันคิดนึกอย่างไรมันมีใจมันกระเพื่อมหรือเปล่าถ้าทำสองอย่างนี้ได้เนี่ยก็เรียกว่าเราปฏิบัติทําทั้งวันเลยทลําอะไรก็ตามนะก็ ใจก็รับรู้คือรู้สึกนะถ้าใจมันลอยเมื่อไหร่มันก็ไม่รู้หรอกว่ากําลังทําอะไรอยู่เวลาเจออะไรนะใจมันดีใจเสียใจยินดียินร้ายเห็นของอร่อยอ่ะยินดีเจองูอ่ะยินร้ายลมพัดเย็นสบายกระทบกายอ่ะดีใจแดดร้อนมากระทบอ่ะ ไม่ชอบเนะี่ยเห็นภาธิขึ้นสวยโอ้ยินดีเจอมรสุมเจอพายุอกลัวไอ้พวกนี้หละเนะี่ยมันเป็นโอกาสที่จะให้เราได้ได้ฝึกสตินะอยวามัวแต่ส่งจิตออกนอกหรืออย่ามัวแต่จ้องมองสิ่งที่เราเจอหรือว่าอย่ามัวแต่งเงี้ยวหูฟังสิ่งที่มันเสียงที่มันกระทบหูอันนั้นก็จําเป็นอยู่นะเพราะว่า เราก็ต้องใช้ตาหูจมูกลิงกกายเนี่ยเพื่อรักษาตัวให้ปลอดจากอันตรายแต่อันตรายมันไม่ได้มีอยู่แค่นอกตัวอันตรามันอยู่มันอยู่ในใจด้วยก็ต้องมีสติเข้าไปดูรู้ทันว่าใจเป็นอย่างไรเวลาตาเห็นรูปนะก็ให้มีสติเห็นความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นด้วยเวลาหูเตือนเสียงนะ ก็มีสติเห็นความกลัวความกังวลที่มันเกิดขึ้นในใจด้วยอันนี้แหละนะก็เรียกว่าถ้าทํานี้ตก็เรียกว่ากําลังบําเพ็ญ น, นะจิตตานุปัสสนาล้วจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเวลาเมียมากระทบแล้วมันเกิดความปวดความเมื่อยก็ให้เห็นมันอันนี้ก็คือรู้เวทนานะเวทนานุปัสสนาเห็นความปวดความเมื่อยอย่าไม่ไม่ค่อยไปเป็นผู้ปวดผู้เมื่อย มีอะไรมาทิมมาแทงนะที่เท้านะที่มือมันปวดนะก็เห็นความปวดนะเดี๋ยวไปเป็นผู้ปวดนะหรือว่าอาจจะเข้าไปเป็นผู้ปวดแล้วก็มีสติรู้ทันอถอนใจออกมาอันนี้ก็เรียกว่าเจริญหรือบำเพ็ญเวทานานุ ป, ปัสสนาเวลามีลมเย็นๆกระทบกายสบายนะรู้สึกเป็นสุขอ่ะก็มี สติเห็นนะอย่าเห็นแต่เฉพาะทุกขเวทนานะไอ้สุขเวทนา ก, mm. ก็ก็เห็นด้วยอย่ารู้ทันแต่เฉพาะอารมณ์ที่เป็นอกุศลให้รู้ทันอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือว่าอย่ารู้ทันแต่เฉพาะความยินร้ายให้ความยินดีก็รู้ด้วย mm. เวลาเพลิดเพลินในความยินดีก็ให้รู้ mm. จริงๆแล้กับดักของนักปฏิบัติเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเวลามันเกิดสุข คบเวทนาหรือเกิดความยินดีแล้วเนี่ยมันเพลินคนเราเนี่ยจะรู้ทันทุกคเวทนาได้ง่ายกว่าหรือว่ารู้ทันความยินร้ายได้ง่ายกว่าเพราะว่าใจเราไม่ชอบมันอยู่แล้วอะไรที่เราไม่ชอบนี่เราจะไวแต่อะไรที่เราชอบเนี่ยเรามักจะเคลิมเรามักจะหลงได้ง่าย อะไรที่เราไม่ชอบเราพยายามที่จะหนีห่างแต่อะไรที่เราชอบเนี่ยเราก็มักจะโดดเข้าหาโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากกว่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ชอบนะแต่คือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ให้ความสุขกับเราทุกวันนี้คนเจ็บคนป่วยเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะป่วยเนื่องจากเจอสิ่งที่ไม่ชอบนะ แต่ป่วยเพราะเจอหรือว่าไปหลงอยู่กับสิ่งที่ชอบเช่นชอบกินไขมันชอบกินเนื้อชอบกินพิซซ่าชอบกินแฮมเบอร์เกอร์ชอบกินหวานนะสมัยก่อนก็ชอบกินเนื้อดิบนะปลาดิบพอชอบกินปลาดิบเป็นไงก็พยาบาทไม้ในตับเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งตับตายเร็วอ่เดี๋ยวนี้ก็ก็มีอ่ ถูกอนามาัยมากขึ้นนะแต่ว่าก็ไปก็ไปพลาดท่ากับของที่ชอบแบบอื่นเช่นชอบน้ำตาลชอบหวานก็เป็นยังไงก็มาเร็งเลยอ่ะเบาหวานชอบมันนะชอบมันปนะพวกทอดก็โรคหัวใจนะไขมันในเส้นเลือดไขมันอนะทาให เสลื่อยในสมองแตกบ้างนะหรือว่าทําให้เป็นโรคหัวใจชอบอะไรชอบกินน้ำบัตลมอะกินมากๆเป็นยังไงก็เบาหวานบ้างน่ะโรคต่างๆทั้งนี้เราตายกันเพราะของที่เราชอบนั้นกันกันทั้งนั้นนะะไม่ใช่ตายเพราะสิ่งที่ไม่ชอบอ่ะเพราะว่าพอชอบมันก็มันก็เพลินแล้วก็หลงนะชอบสบายก็เหมือนกันนะชอบสบาย ไม่เคยไม่เคยอยากออกกําลังกายออกกำลังกายแล้วมันเหนื่อยนะชอบสบายชอบนั่งชอบนอนวันวันเอาแต่นั่งเอาแต่นอนผู้นี้เนี่ยตายเร็วมันมีคนบอกว่าเนี่ยฆาตกรที่น่ากลัวมากคือเก้าอี้นะเก้าอี้เนี่ยเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนมาเยอะแล้วเพราะเพราะคนตายเพราะชอบนั่งนั่งเก้าอีนะ้มันนั่งทั้งวันน่ะไม่ใช่นั่งกินอาหารเดียวนะนั่งดูโทรทัศน์นั่งเล่นลาย นะเวลาไปทำงานก็นั่งเวลาเดินทางก็นั่งกลับมาจากที่ทำงานก็นั่งก็เลยนะเป็นโรคหัวใจฉะนั้นะสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังเนี่ยนะก็คือสิ่งที่เราชอบนะไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นนะเครื่องดื่มหรือว่าเนะทคโนโลยีอันนี้รวมถึงสิ่งที่มันเป็นอารมณ์ภายในด้วยนะ ความยินดีความสุขความเพลิดเพลินเราก็จะไม่ค่อยรู้ทันมันเท่าไหร่ถ้าเป็นความโกรธความเกลียดโอ้เราจะรู้ทันได้ไวฉนั้นต้องต้องฉลาดนะั้นในการที่จะรู้นะรู้ทันในสิ่งที่เราชอบแต่บางทีก็ต้องพาตัวเองไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบบ้างเพราะถ้าเราคลุกอยู่กับสิ่งที่ชอบนี่มันก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ย มันก็ทําให้เราไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่และบางทีสิ่งที่ชอบนั้นก็ทำให้เราแย่ลงด้วยก่อนเราไปเจอสิ่งที่มันไม่ชอบใครเรียกว่าออกจากไข่แดงไปเจอกับสิ่งที่ลําบากไปเจอกับสิ่งที่อันตรายไปเจอกับสิ่งที่ไม่สะดวกสบายเนี่ยอันนี้มันก็เป็นโอกาสที่จะฝึกจิตุใจนะให้เรานะรู้ทันนะอารมณ์ ฝ่ายลบที่เกิดขึ้นแล้วขณะเดียวกันก็ทำให้เราไม่ยึดติดในอารมณ์ที่มันเป็นบวกในการที่เราเกิดามารสมอย่างเมื่อเมื่ อ, เ ม, อเมื่อคืนนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันก็ทำให้มีเรื่องตื่นเต้นอยู่บ้างนะไม่งั้นมันจืดไปนะหรือว่าม่งั้นทำให้เราจำเจนะอยู่กับความเคยชินเดิมๆนะเจอสิ่งที่ไม่คุ้นเคยบ้างเจอสิ่งที่ไม่จาเจบ้าง ไอ้ความจำเจนนี้ก็เป็ น, นโทษนะอยู่กับความจำเจนมากๆเนี่ยถ้าไปเสพติดมันก็ทําให้นะกลายเป็นเพศว่ารากงอกนะแล้วพอออกจากสิ่งนั้นไปก็เกิดปริโพเนะี่ยปริพเทคือความวิตกกังวลนะเช่นพออยู่วัดแล้วก็ติดวัดเนี่ยพอไปที่อื่นเนี่ยก็จะเกิดปริพเทสขึ้นมาอยู่แต่กุติตอพอจากกุติก็เกิดปริพเทส ท่นสมัยก่อนนี่พระสงฆ์เนี่ยเขาก็จะนิยมนะออกทุดดงนะออกไปเจอความยากลำบากจะได้ไม่ติดที่ไม่ติดโยมไม่ติดความสบายก็ทําให้สามารถจะให้ใจเป็นอิสระจากไอสิ่งที่ชอบไดนะ้เพราะถ้าอยู่กับสิ่งที่ชอบไปเรื่อยๆมันก็ถล่มจมลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกิดปัญหา เมืาเราเจริญสติเนี่ยนะก็พยายามนะใช้พยายามใช้ประสบการณ์ที่เราที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของเราประสบการณ์นั้นเนี่ยอาจจะเป็นการกระทาไม่ว่าทำแลไรก็ตามก็ให้มีสติรู้ถ้าทำได้กายก็ให้รู้นะเมื่อกายเคลื่อนไหวเวลาเจออะไรเนี่ยใจกระเพื่อมยินดีก็ตามยินแล้วก็ตามก็ให้รู้ ถ้าทำสองอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือว่าทำอะไรก็มีสติเจออะไรก็ก็มีสตินะแค่นี้มันก็ครบแล้วล่ะนะเพราะชีวิตประจำวันของเรามก็มีแค่สองอย่างนี่แหละก็คือทำกับเจอถ้าทำก็ไม่แต่เวลาทำอะไรก็ไม่รู้ตัวใจลอยเวลาเจออะไรก็ปล่อยไปตามอารมณ์อันนี้ก็ก็เรียกว่าหมดสภาพแล้วนะเพราะว่าใจเราก็จะไม่ได้เติบโตอะไรเลยการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้า อ่าข้ามดียวกันทันี้นะครับคระ